Baphobato Arhato Sama Samput Tadzá Namo Tadzá Baphobato Arhato Sama Samput Tadzá Namo Sranang Thamang Sranang Kacchami. Thamang Sranang Kacchami. Sangkhang Sranang Kacchami. Thuttyyampi Puthang Sranang Kacchami. ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโพธิยํตํธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโพธิยํสังฆัง อะตยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตะตยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิอะตยัมปิสังฆังสรณัง อ้าววันนี้วันอังคารที่ 10 ฮะเอไม่แม่น 10 ธันวาคม 2557 เดี๋ยว 57, เด 57 มัน 58 อยู่แล้ว พืดไปพืดมาเดี๋ยวผิดอีกอ่าเอาล่ะเป็นยังไงไม่รู้ทุกวันนี้เนี่ยตรงกันเท่าไหร่เลยเออ มาพูดกันเรื่องสรรค์ฆ่าสร้างคนอ่าสรรค์ฆ่าสร้าง อิจฉายิ่งใหญ่ล่ะสรรค์ฆ่าสร้างคนเนี่ยเพราะจะเรียนหนังสือจะเรียนเอ่อ คำว่าคือคนที่ดีคนที่จิตใจงามคืออะไรคนประเสริฐหรืออริยะที่แท้จริงเนี่ยคือคนที่ การแต่ถ้ามันได้ถูกสร้างความเป็นคนหรือว่าการเป็นอยู่ได้ได้ก็แล้วแต่ถ้าเร็วจัดเลยก็จะตายมันจะไป มันควรจะต้องมีชาติที่เกิดไปเรื่อยๆมีชีวิตที่ยาวนานไปเรื่อยๆมันด้านหน้าดําเถียงไปๆถ้าเอา แต่แต่ที่มันไม่ทําเพราะกิเลสมันขึ้นหน้า ขออภัยที่จะหาว่าลงโทษสังคมเลยทั้งบ้านทั้งเมืองเลยมันหลงโลกียะมันเมามายในโลกียะ อะไรไม่อะไรเอาง่ายที่สุดในเรื่องโกหกเนี่ยมันเห็นคําโกหกหรือการโกหกเนี่ยมันเรื่องธรรมดาไม่ได้เกรงกลัว โกหกได้เลยทันทีเลยไม่ต้องไปยับยั้งอะไร ไม่ได้หมายความว่าทําแล้วมันไม่เกิดง่ายปากเปราะง่ายว่าสังคมประเทศชาติเนี่ยไม่โกหกอย่างเจริญแล้วเจริญจริง เนี่ยโกหกโกหกกันยังคือจนกระทั่งยิ่งพวก เพราะมุ่งมาจนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาจริงๆเลยที่จะมาจนมีด้วยเหรอๆอันนี้ๆนี่ก็ดีเหมือนๆ ก็เดิมกันน่ะเจมกําลังจะหาจริงๆเอ่ออาตมาตั้งให้เหมือนกันเนี่ยเลือกเอาแถมอีกอันจริงๆตั้งๆเลยซึ่งมันเป็นเรื่องเออมาจน น้ํามันจนไม่ก็จะจะกิเลสมันมันๆตั้งๆจนให้ได้ให้ๆเลยอ่าเป็นอนาคาธิกชนเป็น ยกกับพวกอื่นเค้าดูแลเราไว้ได้พึ่งพึ่งคนอื่นไปเราไม่ต้องพึ่งตนเองด้วย นะเออชีวิตเรานี่ฝากฝากชีวิตไว้เลยโอ้โหฟังดูเถอะมันยิ่งใหญ่มั้ย ในสังคมเราที่แม้ว่ามันจะกลุ่มไม่ใหญ่ไม่โตกลุ่มเล็กๆก็ปลูก เราก็ตั้งถึงขั้นมั่นใจว่าเราฝากชีวิตไว้กับสังคมสังคมกลุ่มได้อาตมาว่าเท่าจริงอาตมานี่ๆเลยที่นี้จากที่ไล่ลา 36 ปี มาถึงคิดถูกที่สุดดีที่สุดแล้วนี่โอ้โห 36 ปีมาเร็วกว่านั้นได้ๆนานไม่ นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากจิตจริงๆคําว่าจิตจริงๆเนี่ยจิตของใครของของ ไม่ได้เต็มใช่ไหมที่เราเข้าใจแล้วเราก็ตั้งใจอยากจะเป็นแล้วใช่นะอยากจะดี ทุกคนน่ะนะใช่มั้ยแม้แต่อาตมาตะก่อนคนน่ะต้องเลือกไตร่ตรองๆแล้วจิตของเรานี่จิตจริงอ่ะมันไม่ได้แต่มันติดตรงที่ว่ากิเลสเราเองนี่มันยังแล้วก็พอ ติเตบกิเลสๆนะมีความเข้าใจมีความเห็นจริงคนที่มี เจริญแล้วเข้าทางที่ไม่เสียชาติเกินละนะ แล้วอาตมาๆที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนนี่ยิ่งอาตมาค่อยๆอ่านเจอได้ไปใจนั้นนี้ไปๆก็ยิ่งเห็นว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วอาตมาเราทํามาแล้วตรงสอดคล้องกับพระท่านตรัสไว้อรรถระไว้นะ ซึ่งลักษณะๆง่ายๆที่ชัดๆนี่นะ 1 มาเป็นคนจน 2 สามมี 4 เป็นคนจนที่ช่วยเหลือสังคมคนจนที่ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยเหลือสังคมๆเสียสละได้ ไม่ใช่จริงใช่จริงๆเลยแค่ 4 ประเด็นนี้อาตมาว่ามนุษย์ใดคนใดก็ๆเลย จริงๆเออจิตจริงนะใจมันจริงนะหนึ่งมันเข้าใจสองใจๆเนี่ยใจเนี่ยเนี่ยใจอันนี้ ตรงนี้แหละอ่าแม่คุณจะกระโผลกกระเพกอยู่ ศีล 5 เป็นกรรมฐานเป็นฐาน 75% ขึ้นนะศีล 5 ได้ 75% นั่น พระพุทธเจ้าตรัสโลกุตระ 31 ข้อ 620 เนี่ยที่ 46 โลกุตระ 9 ก็เห็นมาก่อนๆพอมาเจอ 46 โลกุตระมี 46 มีตั้งแต่รู้จักกายในกาย อานาปานสติสูตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไล่มา อรหันนะเริ่มต้นโลกุตระ 4 กายในเป 4 เป็น 37 ข้อปฏิบัติเพราะข้อ 285 ใน 10 14 เนี่ยพอเริ่มต้นถ้าบอกมีก็หมายจิตถือว่าสูงสุด คนประเสริฐอยู่ในสังคมที่เป็นไม่เบี้ยวไม่ไม่เพี้ยนไม่อะไรไม่แปรเปลี่ยนอีกเสถียรนิจจังทุวังสัสสตังๆแล้ว ถ้าประเสริฐก็อยู่ในขั้นประเสริฐไปเรื่อยๆสูงสุดอรหันต์รองลงมาเป็นโสดาหรือเริ่ม 285 ปลาย สติปัฏฐาน 4 เลยผู้ที่ประกอบ 4 แม่ภิกษุชนนี้ใน เห็นแล้วว่าโอ้ต้องมาเลิกเรื่องลาภยศสรรเสริญโลกีย์สูงดังที่ไม่ใช่ได้แต่จริงมันจริงไม่เถียง อันนี้ใจจริงปัญญาเห็นจริงหรือใจจริงมันเห็น 75% มันไม่อยู่แล้วมันพยายามมาทั้งนี้ทั้งนั้นแหละมัน นั่นอรหันนี่อรหันแต่ยังไม่รู้เลยว่าโสดาเป็นไม่อย่างที่อาตมาว่าแหละกรรมฐานแทนที่จะเป็นศีลเป็นกรรมฐานเป็นบารทานหรือเป็นกรรมฐานใน มือตอดยกมือขึ้นยกมือลงเอาก้าวหนอย่างหนอได้เป็นกรรมฐานไปหมดซึ่งมันไม่ใช่สัมมาทิฐิของพระ แต่ปโลณาเสสมติปัญญาน่ะมีศีลมาก่อนมีศีลดีที่สุดแต่ไม่เป็นปฏิบัติศีล อ๋ออยากจะทําจิตง่ายๆอาตมาว่าโอ้โหตอนนี้ พยายามตั้งหมู่บ้านคนศีล 5 โอ้โหฟังแล้วมันชื่น 30 40, 40 ปีแล้ว พยายามที่จะมาตั้งๆอย่างที่ทําอะไรเอ้าหือฮาอ่าๆคือเราทําจริงๆน่ะดูแล เราจะเข้าใจยังไม่ได้ปฏิบัติศีลนี่เพื่อให้เกิดจิตปฏิบัติศีลต้องเกิด แล้วก็ดําเนินต่อไปเลยอวิปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายนะที่ๆในพระติปฎกๆนี่ โพธิปักขิยธรรมต้องสติปัฏฐาน 4 แล้วต้องไล่มาจน 4 นะอาตมาก็ขอขยายความนี้แล้วกันท่านก็ไล่มาแลแล 7 8 นี่ 37 ข้อ 37 หน่วย ข่มหมดนี่แล้วทั้งกันไหล่ลงมาจากสูงลงมาไหลลงไปเรื่อยๆถ้าสัมมาทิฏฐิ ที่ปักเกี้ยทําสัมมาทิฐิจริงเป็นโสดาบันขึ้น ประกอบในการปฏิบัติเป็นเหตุปัจจัยในการปฏิบัติเป็นบริขารใช่อนิสังเอ๊ะนะๆมัน มันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเพราะโอ้ปฏิบัติสมาธิเป็นยังไงโอ้ปฏิบัติยิ่งชัก มันน่าสงสารประเทศอาตมาเอาพระฎีกามาเป็นหลักฐานยืนยันพูดไปให้ พูดเบาๆก็แล้วพูดนิ่มๆก็แล้วพูดนิ่มนวลก็ เขายืนยันเลยนี่แหละขึ้นยังย้ำแรงยืนยันเลยนี่แหละเข 30 40 ปี ก็ภาพเปลี่ยนทํางานให้แก่สังคมอยู่จะ คุณค่านี่ไม่ต้องไปสรรอะไรมากหรอกเป็นแต่เพียงว่าๆเข้าใจกันอย่างโอ้โหพอฟังแล้วนี่โอ้โหบรรลุ ง่ายขึ้นพูดเข้าใจถึงถึงขึ้นเข้าใจๆขึ้นได้ดีอยู่โดยอาศัยหลักฐานของพระพุทธเจ้าจาก ให้รู้จักกายให้รู้จักการพิจารณาในจิตแต่ไม่ นะอะไรเรียกว่าระงับความดำริพรานอะไรในเอ่อกายคตาสติๆเนี่ยๆจิตมัน เพราะ getattr ของพุทธเจ้าไม่หนีจากเหตุอยู่แต่มีอุตตรจิตมีอุตตรจิตมีอนุตรจิตมีจิตที่อยู่เหนือๆเหนือ เมื่อเหนือแล้วอบายมุขนี่ไม่ทดแล้วก็อยู่เหนือมนุษย์กับชีวิตเราก็อยู่กับชีวิตอันนี้แหละแต่จิตล้นเหนือแล้ว มันจึงเป็นคุณสมบัติอันประเสริฐสุดยอดที่อาตมา เขาอาจจะโลภโดยสุจริตอะไรอยู่ก็ตามแต่เขายัง สิ้นข้อ 4 ของ 4.5 ของฐานโสดาบันและคนชนิด ไม่ละเมิดเอาของที่ไม่ใช่ของก็เจริญแล้วจริงมันยากที่จะเข้าใจที่พูดเนี่ยมันไม่เห็นยากอะไรเลยมันจริงที่สุดเลยมันถูกต้องที่สุดเลยอาตมาว่าเถียงไม่ได้ เออทําไงจะเป็นได้ถ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอาตมาก็ไม่ได้ไปเอาอะไรอื่นมาให้ปฏิบัติก็เอาจาก 37 7 ถ้าจะชื่อว่าเป็นโลกุตระบุคคลอย่าง 286 มาหมด 8 ท่านก็บอกว่าจะเจริญเมตตากรุณาแล้วก็จะจิตจะเป็นเจโตที่จะมีเมตตากรุณา อัปปมัญญา 4 หรือพรหมวิหาร 4 นี่น่ะถ้าไม่ก็จะเกิดคุณสมบัติแบบนี้ที่มี บ้านเมืองก็อยู่สุขได้แล้วแต่ศึกษามี 4 อย่างอัปปมัญญาศีลพรหมวิหาร 4 นี้ที่เป็นเพราะ เมตตาจะเป็นยังไงอาตมาก็เชื่อว่ากายกรรมวจีกรรมนี่ข้างนอกเนี่ยพวกสายปัญญาหรือสายโลกุตระอริยะแท้เนี่ยมันจะรู้มันจะเป็นคนมีเมตตา ยกตัวอย่างอย่างพวกเราชาวสงฆ์ใครก็ตามที่ไม่เห็นว่าตัวเองเนี่ยคือมันได้ ลาภัทธมิกาได้ลาบมาโดยธรรมแล้วก็เอามา 10 ปีแล้วจนเป็นสังคมที่เป็นระบบนี้กันนี่มันก็เป็นเครื่องยืนยันภิสูลแล้ว มันอยู่อย่างเมตตาสารณียะมันอยู่อย่างใช่มั้ยนี่มันเป็นหลักฐานพิสูจน์ยืนแต่อาตมามั่นเพราะฉะนั้นพวกเราได้ปัญญามีเจโต ไอ้ที่บบๆแบบๆไปๆมาๆมัน อันนี้ถ้าสมาธิมันเจนแต่ถ้าปัญญาชัดเจนแล้วก็มี สัญญาจริงจริงๆก็คืออนุสติ 3 นี่อสุภสัญญาอนิจจสัญญาและเจริญอานาปานสตินะซึ่งย่อไว้ท่าน สรุปง่ายๆก็คุณเห็นทางโลกีย์เป็นอสุภะเห็นทางอธิบายอธิบายวิปัสสนา อุทปยันนุปัสสนาญาณเห็นมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ประคองไปรักษาไปยึดไว้และก็พังคานุปัสสนาญาณพยัตตุปทารญาณจริงๆๆเลยมัน อนิจจสัญญานั้นมันจะเกิดจริงๆอสุภสัญญาอนิจจสัญญานี่คืออริยสัจ 4 นะอนิจจอนิจจสัญญาเนี่ยเป็นไตรลักษณ์แท้ๆเลยเพราะฉะนั้นโอ้ รู้ทั้งนั้นน่ะเป็นพุทธน่ะชาวพุทธไม่ศึกษาเหมือนนั้น การภาคเพียรปฏิบัตินี่คือใช้สัญญากําหนดพิจารณาเสมอต่อ นั่นน่ะทําเป็นอาชีพเลยยึดมั่นหรือทํา โจรตัวร้ายขออภัยที่อาตมาพูดให้มันทันสมัย แต่มาเป็นโจรซะเองเนี่ยเปิดกรุที่ใหญ่ที่สุดละกรุ แต่นี่เป็นสถาบันนะชี้บ่งถึงความหายไปกับสายลมประเทศไทยนี่เป็น ถ้าจะคืนอาจจะปากชัดไปหน่อยไปอีกมัน เอาล่ะมันยังไม่ถึง 100 ก็เถอะแต่มันก็โอ้โหเหลือเหลือกินเหลือย้อนทําอะไรกันเล่นตลกกันอยู่เนี่ยอาตมาถึงบอกว่ายังไงยังๆเถอะกัดอก อาตมาอืมจะช่วยแบกเครื่องตัดหัวหัวมาไปให้คืออาตมาพูดไปนี่ไม่ได้หมายความว่าอาตมา น่ะแล้วก็ขอประจัญญ์ว่าอาตมามันรู้ทําอยู่แต่ที่พูดนี่มันอยู่ในๆนานาเนี่ยอาตมาอาตมาเข้า 7 จริงๆแล้วๆ ใช้ความมีลักษณะธรรมต้องใช้อย่างนั้นกับสังคมแต่ต้องใช้สัปปุริสธรรม 7 ต้องใช้มหาประเทศ 4 ประมาณแล้วก็ทําซึ่งไม่ได้จะไปทําอย่างสุ่ม ตามมหาประเทศจริงๆตรวจจริงๆนะอัตมาโดนเล่นงานท้าวความอีก เล่ม 1 2 3 นั้นเขียนติดกันเลยออกมาเสร็จแล้วคณะๆอาตมาก็ เขียนจดหมายไปถึงๆเลยเนี่ยท่านยืนยันให้อาตมาได้เขียนจดหมาย เคารพในพระปัญญาในปัญญาที่คุณองค์ท่านอาตมาก็ละไป 7 ท่านไม่ใช้ ถ้าท่านชัยน่ะท่านก็จะรู้การประมาณยังเหมาะสมกับการและยุคเหมาะสมกับสังคมนี้สปปริสัณยตาเหมาะสมและท่านก็รู้ว่าฐานะๆมานานามา จริงปรุงแล้วเจ้าจึงทําทุกมหาประเทศไม่งั้นไม่ได้ผลเค้า อะไรเลอะไม่ใช่ๆอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อาตมาทําด้วยการประมาณอาตมาก็เห็นว่ามันได้ผลอยู่แม้ อาตมาก็ยืนยันอย่างงั้นเลยเอาจริงว่ามันจริงๆอาตมาซาบ การรบผู้ที่ดําเนินการโอ้โหที่อาตมาๆมันๆ ดีแล้วลีลาท่าทางอย่างนี้มันต้องอย่างเนี้ยยกดีมันต้องอย่างงี้ มหาปเทศศรีนอนอยู่กับโลกซวยนั้นไปก็เสื่อมไปอย่างนั้นน่ะๆหน่อยเถอะนะ เห็นอยู่จริงอาตมาเติมนะกองเชียร์ๆจริงๆนะๆจริง ล้างล้างไม่ได้มากล้างไม่ได้มากก็ได้น้อยก็ช่างแต่ล้างได้แน่งวดนี้อาตมาว่าล้างได้แน่งวดนี้ เพราะฉะนั้นพวกเราก็พยายามเอ่อทาเพียรช่วยกันปฏิบัติตามพุทธเจ้าสอนเนี่ยต่อจากที่อาตมาสัญญาเพเพ 3 สัญญา 3 นี่ อานาปานสติก็ต้องใช้สัญญาเรียกเป็นสัญญาก็หลักเป็นหลักที่มุ่งเข้าไปสู่จิตเพราะฉะนั้น กายทางด้านนอกเข้ามาแต่ไม่ให้ทิ้งแม้มหาภูตรูปที่เป็นลม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 นั่นแหละอะเคหัสิตา นั่นน่ะเอาเนื้อหาก็ว่าหมายความว่าอย่างนั้นเพราะลดในอานาปานสติสรุปแล้วก็ อบายมุขมันก็รวมเคยเนาอยู่ก็อยู่กับมันกามภพเราก็อยู่ ค้นลักกิเลสของตนเองไปสิหรือทั้งสังขารของตนเองนี่อธิบาย ก็รู้สังขารในสังขารเริ่มต้นกายแล้วก็เหลือจิตและยังมีสังขารที่อาตมาอธิบายลึกละเอียดอีกว่าเป็นวจีสังขารๆก็พูด เมื่อรู้จักสังขารเข้าใจสังขารทํากายสังขารจิตสังขารจนกระทั่งสามารถตั้งๆเป็น อันอรหันต์อยู่ข้างหน้าเป็นผู้ใกล้ยาความเป็นอรหันต์นี่คืออานาปานสตินี้อาตมาสรุปอานาปานสติไล่ สภาวะนี้ไม่ใช่ลึกลับไม่ใช่งมงายแต่รู้แจ้งเห็นจริงมีสิ่งรองโอ้มันไป เสร็จแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่เอาเข้ามาหรือว่าจะปฏิบัติจนกระทั่งเขญ ถ้าทําตามที่อาตมาว่าที่ยืนยันเอาพุทธปฏิดกมาๆประยุทธ์จันทร์โอชามั้ยคือพูดกันลูกเล่นลูกกันลูกย่ําลูก หวานๆจ่อยๆอะไรไม่นะอ่าพูดไปแล้วก็ 22:07 1 ชั่วโมงเสร็จๆเมื่อกี้นี้เราก็ <c oughs> 7 ชั่วโมงไม่ 5 นาทีดีนะปราบไป อาตมาก็ยังเต็มใจยังพอใจและยังตั้งใจที่จะทํางานที่แสน ยังนึกแต่ก็ไม่ได้นึกมากเออถ้าติดคุกเราเราก็คงจะไปๆก็ไม่นึกว่าตัวเองจะติดๆเล่นเออเออเราก็ก็ พอเขาได้เข้าไปเยี่ยมคนในคุกเพื่อเยี่ยมเฉลิมไงเฉลิมตอนนั้นน่ะติดคุกแล้วเขา ก็ยังนึกอยู่อย่างนั้นเพราะจะอยู่ยังไงที่ไหนอาตมาก็ พาทํางานด้านงานนี้ก็เป็นการสร้างคนแม้ที่สุดสูงการศึกษาทําการศึกษาขึ้นมาก็เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ สสรไม่ใช่ใช่มั้ยออเอ่อก่อนแล้วก็สไม่ใช่สมสบไม่ใช่ส จนกระทั่งมาเป็นววบบแล้วก็อะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยมันยังไม่ได้สัก ได้อะไรก็ได้ของพวกเราไปนี่แหละสอบ บ.บ.บ.บ. ก็จะสอบไปวรรณบาลนี่ก็เรียนไปแล้วก็ไปสอบกันเป็นนั่นแหละเออเสร็จแล้วๆนะว่าถ้าๆด้วย นี่ยังไม่ได้ไปทําใบใหม่ขึ้นมาดูทําใบนั้น ลีอัลเรียน吧เราร์ไม่ได้มาอย่ขวงว่าาไม่ได้อะไร อัติมาeso ท่ายตืนนะはいสุป need is standaloneاع superhero. Hitler's critique, weight Six-three fout Simply of 1966. soccer organization. Are there so many forced viewers? Should even ensure that will become your most interesting thing? Yes.enee Minister. About your work. All of theersion. Load supply. Manate? doing good installation. Because of the rest. Let me maturity. Attemptive lines and potassium. This is according to depression The third of the world. The wisdom weeks cry. It's สาระนี้ 6 พุทธพจน์ 7 ก็ตามมันก็ตรงทุกอย่างเลยอย่างนี้เป็นต้นมันไม่เห็นจะ มีพฤติกรรมจริงขึ้นมาๆเนี่ยๆเป็น ซึ่งอาตมาก็พูดนําไปแล้วว่าเมืองเพราะชมพูทวีปนั้นคืออะไรอาตมาก็ยืนยันให้ชมพูเรียกว่าชมพูทวีปหรือเป็นมนุษย์ชมพูทวีป เพราะมนุษย์ชมพูทวีปมีลักษณะอะไรก็สติมันสุรภาโวสติมันโตอิทัพปรมจริยวาโซก็อธิบายไปมากมายแล้วแต่ ในชีวิตนี้ก็แต่ละคนแต่ละคนๆนะ <c oughs> พูดอาตมาพูดอ้าวแจกในยุคนึงนี่เค้ามีแตก ถ้ามีเลือดออกจากปากก็เรียกว่าเหมือนกันไมโครโฟนอ้าวใครได้ไมโครโฟนครับกล่าวขอกราบครับเอาคุณดั้นอือ เออแผลรู้สึกทีนี้แผลพี่น้องปี 49 ขอ มันนึกมันก็มีสองสนทิคนคนสนธิเนาะเป็นคนเริ่มแล้ว 2 สนธิพระโคนี้ 3 อีกหรือเปล่าครับอาตมาไม่ใช่ อาตมาว่าอะไรก็ตามแต่เหตุปัจจัยที่มันเป็นเหตุจริงมีน้ําหนักมีเนื้อแท้มีคุณสมบัติของมันเพียงพอมันพาไป ทำใหม่ทำตัวแปรตัวแปรที่มันจะ มันเป็นอดีตวิบากเขาเอาหลักฐานๆตัวแปรตัวแปรในปัจจุบัน มีพฤติกรรมที่ดีช่วยกันมากๆหน่อยพรมลิขิตก็เปลี่ยนโมดูลพยากรณ์ก็เปลี่ยน มันจะแม่นดุษดิ์ที่จริงมีคนจริงทําปฏิบัติ ว่าพวกเรานี่แหละมวลที่จริงนี่แหละมันเป็นกรอบเป็นกรรมเป็นกลุ่มเป็นหมู่ๆอ่าทําให้ได้ผลๆ ถ้าเราแต่ละคนนี่ก้าวหน้าเป็นทางโลกุตระธรรมอริยะธรรมจริงๆนะอันนี้จะเป็นผลชัดจริงเป็นผลแท้เป็นผลยั่งยืน ทฤษฎีที่จะสร้างคนให้คนนี่เป็นอริยะให้คนๆต่างๆนานาออกมาให้เก่งขนาดไหนมันไม่เก่งเท่าคนที่มัน หัวพลรรคอยู่ตามเดิมวนไปวนดีไม่ดีจะหนักลงกว่าเก่าแต่อาตมาๆเยาวชนที่ผ่าน ถ้าได้อุดมศึกษาเราก็จะสร้างต่อไปเรื่อยๆดีไม่ดีเอาถึงดอกเตอร์ เพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นจะต้องทําต้องอาศัยนิตินัยอาศัยได้พออาศัยได้แล้วก็ต่อใครอีกได้ไมโครโฟนนะ กราบนมัสการพระท่านท่านสมณะท่านศิกขมาธค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกคนค่ะโดยเฉพาะๆแล้วก็วัดก็ติดติดเสื้อผ้าอยู่ ก็เห็นมันมันยากอ่ะพ่อท่านมันยากตรงนี้ว่าทําไมนะ 3 ชุด 3 ชุดมันไม่พอค่ะมันยังมีตัวตัวโลภตัวโลภที่ว่าอันนี้ก็สวยอันนั้นก็สวยมันพิจารณาพิจารณาเห็นว่า สวยก็เป็นสมมุติก็เป็นสมมุติคุณสวยคนอื่นก็อาจจะว่าไม่สวยก็ได้มันไม่ตรงกันทีเดียวหรอกแต่ความสวยก็ดีไม่ตรงกัน แล้วมันก็ยึดยึดอยู่งั้นน่ะทําให้ยึดเราก็พอก็จบควร เพราะฉะนั้นเราก็จะไปในบัญญัติในภาษาในพยัญชนะในองค์ประกอบของมันมันค่ะตัวนี้แล้วๆเห็นความจริงย้ําว่ามัน มันไม่ได้น่าพึงใจมันไม่ใช่หน้าได้หน้าบูชานับถือคนที่เค้าจริงๆแล้วว่ากราบเคารพคนเออต้องถาม เออสิ่งนี้เราก็เคารพสิ่งที่ท่านไม่ยึดกันก็เคารพนะท่านไม่ยึดโอ้แต่ทําไมเราจะมายึดอยู่ๆเลยพิจารณาชัดๆ <ข อ. S 1> เอาไว้จริงเลยนะจริงๆวันนี้อาตมาตั้งใจจะสอนอาหาร 4 อยู่นะแต่ว่าเอาไว้เถอะเอาไว้ 1 นี่ อาจจะต้องเข้าใจอาหารรูปเครื่องอาศัยกวรินทราหารเป็นต้นคืออุปโภคบริโภคแม้แต่แค่เครื่องบริโภคมืออย่างไปไม่รอดอีกที่พูดคืออุปโภคมันก็ ครับอ้าวใครอีกครับรับขอโอกาสครับอ้าวเชิญครับนักศึกษา เป็นพระโสดาบันแล้วติดๆครั้งมันไม่มีช่องว่างตรงไหนเลยครับมันไม่มีช่องว่างตรงไหนเลยที่ว่าพระ โสดาปันนี่ก็หมายความว่าเรามีฐานของ ในหมู่สอในหมู่กลุ่มอุปโภคบริโภคเครื่องยังชีพของเป็นอยู่ต่างๆนานาก็ประมาณนี้เสร็จแล้ว อ่ายิ่งเราไม่หยาบเลยไม่เป็นละเมิดอะไรบ้างเราก็อยู่ได้ เขามีกินดินมีเดินตะวันมีส่องพี่น้องมีเสร็จมีเก็บมันสบายไปหมดแล้วเพิ่งเกิด แต่สิ่งแวดล้อมก็ดีแล้วตัวเราเองไม่รู้จักจากศีลหน้าขึ้นเป็นอธิศีลขึ้นจนกระทั่ง การกินอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ยแทนที่จะเป็นระบบไม่ระบบแล้วต่างคนต่าง ไปฟังฟังแล้วเอาไปตรวจสอบตัวเองเค้าจะเคลี่ยวเข็นตัวการกินนี่เป็นหลักแรกเลยโภชเนมัตตัญญุตาก็ดีมัตตัญญุตาจะอาหารกวลิงคราอาหารเป็นตัว 28 อุทา 24 ก็ดีอาหาร กับพิเจรณาตอนนี้เพอะที่จะอ่านกิเลสแค่อ่านกิเลสตัวนี้ๆงั้นอันจะไม่ นี่คือความเสื่อมทอนอยู่ในนี้อย่าว่าจะติดแป้นเลยเข้าใจชัดขึ้นมั้ยเพราะงั้น คุณก็เสียมุมนั้นเองเค้าก็ทิ้งคุณไว้ทีนี้ก็ไม่กล้าที่จะพูดแต่เรื่องจริงไม่จริงขนาดไหนอาตมาก็ไม่ได้ไป <iam> ให้เพศองค์วรระวังในเรื่องอาหารการกินก็ตามเรื่องใช้เรื่องเรื่องการงานก็การงานก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นการหลายๆคนมีปฏิบัติก็รู้ว่าเราทํางานนี่ ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้มีๆมีพฤติกรรม ปอร์ติดของเราน่ะมันไม่สะสมมันไม่มากๆอีกแล้วมันมีฐานๆทําบัญญัติๆทํา จุจิจุจิกดุดันมันก็เลยอย่างเงี้ยดีไม่ดีเหมือนกับๆในซ้ําไปไม่ค่อยเกี่ยวไม่ค่อยเข็นในซ้ําไปที่จริง เอาเลยได้แล้วเอาเลยต่อแล้วก็ฝนให้มึงการธรรมพี่น้องทุกท่านนะ เรื่องโลกก็จะเป็นอยากได้ของอยากได้โน่นอยากได้นี่เหมือนมันจะง่ายนะคะแค่สิทธิ์ 5 เองแต่แต่พอพอเราเพิ่ม 2 ข้อ 5 ใช่มั้ย 8 สิทธิ์ 8 ก็แค่เรื่องแต่แต่พอๆแล้วมัน อีก 2 ข้อก็คือเรื่องๆอ่ะแค่เรื่องอาหารมันก็เหมือนเรื่องทําไมเมื่อก่อนหนูสงสัยเข้ามาวัดใหม่ เอ่อแต่พอพอๆมันก็ครับก็ก็เลยแต่ก็ยังตั้งใจจะถ้าเห็นอะไรก็สนุก สนุกไปกับโมสนุกไปกับงานสนุกไปกับจริงๆคนเข้าใจผิดว่าศาสนาพุทธเนี่ยคือพวกที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ พุทธะรู้จักสมุติแล้วก็อยู่กับสบายรื่นเรืองเป็น ทำให้จิตนั้นนุ่มฟอสดชื่นสบายอยู่แข็งสมาตะหังไม่ใช่ทําจิตให้มันแข็งแข็งทื่อไม่สด แล้วก็มาเจอเมื่อก่อนนั้นแค่ 3% 5% นะคะที่เค้าจะหักหักแล้วมาแบ่งกัน คือชุมชนเนี่ยมันมันไม่ไม่ได้รับการยอมรับในแง่การ น่าเล่นนะคะอาตมาเคยบอกคุณจำลองว่าว่า Thailand Thailand is Bangkok ทําของกรุงเทพฯนั่นแหละให้เป็นโมเดลเหมือนคุณได้ย่อลงมา นี่คุณก็ย่อลงมาว่ามาทําตําบลนี้ใช่อ่ะการขอบขอบคุณค่ะเออนี่ก็ค่อยเข้าใจ เอาเลยขอกราบขอบผมเถาแกงถามครับเอ่ออยากจะกล่าวถึงให้เราสอบแล้วก็กําหนดวิชาให้เราอ่านที่ อะไรอย่าละออแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสืออ่านี่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือการปู อ่าท่านจะได้เห็นเลยว่าเอ่อเรามากนะฮะพยายามที่จะค้นคิดที่จะหาวิธีการ ท่านใช้เวลานะฮะผมใช่นะฮะคือยันฮะคือๆเลยนะฮะที่จะครับนี่โอ้โหออกเป็นเปิกคือคือตั้งแต่ คือสิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นคุณค่าสูงสุดที่เอ่อเราได้ ของอภิธรรมของอโศกหรือว่าแผนผังของติดทําให้เกิดกับมหา นี่แหละก็เป็นฐานที่เขาทําได้โดย ไม่ได้ใบรับรองไว้ช่างมันเถอะน่ะเอ้อธิศีนิสุทธานิไม มันมีนัยยะละเอียดลึกซึ้งจนกระทั่ง ดร. อภิชัยเนี่ยเอาเอาตัวต่อจิ๊กซอว์ตัวนี้ของอโศกกับของ คือเค้าไม่ยอมให้ใส่เข้าไปใน 1 ฟ้าทําอีก 1 ฟ้าเข้า ดาวเพ็ญแม่ปริยาโทก็ตามใส่เนื้อนี่ก็เกือบกันจะไม่ยอมให้ผ่านแต่ก็ผ่านมาจนได้สิ่งนี้เป็นสิ่งยืนยันและเป็นสิ่งไม่ใช่เป็น ชอบที่จะใช้การตลาดที่จะใช้การตลาดแต่อยากให้พวกเรามีปัญญาพออ้าว เอ้าเอาเลยยกมือแล้วได้ไมโครโฟนว่าเลยเอ้ายังไม่ได้ไมโครโฟนเหรอไม่ยกไว้ก่อนเอ้าก็เราว่าอยากจะได้อีกคนนึงเนี่ยฟังบุญเปรี้ยวปากมากไม่ได้ต้องขอพูดนาทีให้เอเอเอ 2น ทำประธานไปแล้วนะนักค่ะกราบขอการค่ะนิสิตคืออนิพพาน 5 เนี่ยเป็นอาหาร ก็กําลังค้นหานะคะวันนี้ก็พบพระโหก็สัญญาอสุภะสัญญาก็พยายามว่ามันเอ๊ะมันก็สุภะจริงๆนะ 7 นะคะ 7 นี่คือโยนิโสนมัสการนะ ก็เลยก็ประทับใจนะคะประทับใจแต่ <laughs> นั่นให้มันเป็นจริงต้องฝึกต้องพยายามอุตสาหะพากเพียรโอ้อ้าวมันอย่างงี้ถามหรือ นั่นแหละให้มันจริงมาเออนี่มันขึ้นมา 37 พิจารณาและก็ทั้งนั้น ผมมีฌาน 4 แล้วก็สัญญา 3 นั่นแหละจนกระทั่งถึงอานาปานสติทั้งสูตรอาตมาว่ามัน ในข้างในเลยถึงจิตในจิตนะถึงหลัก 4 เห็นความจริงในจิตได้วิราขานุปัสสีกูจะต้องเห็นโยธังพิจนาเห็นว่าเออจิตเราจางคลายได้ก่อนจะเห็นจางๆเพราะ ขึ้นถึงเลยน่ะอันอันนี้จะ 9 อุททัพพญาณุปัสสนาญาณมันก็จะเกิดแล้วก็จริงๆเลยญาณคือความฉลาด พลังของปัญญาพลังของญาณๆนะๆจึงบอกว่ามีสติสัมปชัญญะเห็นสัมผัสเหตุการณ์นั้นนี้จริงแล้วพิจารณาเข้าไป เราต้องปฏิบัติจริงก็ย่อ 2 อันๆใช่มั้ยเร็วกล่าว 10 นาที 15 นาทีเอ้ากล่าวขอโอกาสเพราะท่านค่ะสมวัชรีพรค่ะคือพูด คือนิสัยอ่ะคือคือคือมันเป็นนิสัยแล้ว เอ๊ะแล้วอ่ะอ้าวเราก็จะเปลี่ยนจิตแล้วไม่รู้เท่าว่าเอ๊ะตอนมันดิ้นกุกกักกุกกักไอ้ที่เออมันหายไปโดยหายไปโดยเอ๊ะมันว่าทําไมเราต้อง เราตั้งใจที่จะอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนี้มันที่จริง 2 ด้านใช่มั้ยด้านลบด้าน ด้านบวกนั้นเราต้องคือแหละฝึกไปฝึก เร็วหรือไม่เร็วเราก็จะรู้เรือหรือไม่ความความจริงของความจริงอ้าวต่อค่ะกรรมสการพ่อท่านท่านสมณะเถวโสกค่ะ 30 กว่า รู้สึกว่ามันน่าอยู่ขึ้นทุกวันเลยนะคะมันใจมันมันเบิกบานร่าเริงมันเทียบกับเมื่อก่อนตอนที่เรา เมื่อก่อนยังจําได้ว่าแล้วก็หลับเก่งอ่ะนะยิ่งทําแต่เช้าทําไมถึงได้หลับเก่งขนาดนั้นครับจํา แล้วก็ครั้งที่แลแล <g iggle> 2 นี้ก็ไม่เกยพอครั้งที่ 3 อ่ะ 3 ที่มาฟังพระครูพูดถึงว่าเอ่อใจของพระสุวิฑาบันก็จะเป็น กาลร่ํารวยนะคะหรือแม้กระทั่งในหลวงปัจจุบันเนี่ยท่านก็ๆขออภัยคือเป็นๆนี่ๆนี่ลองจ้องหน้าดู <c ười> <c ười> จำได้ว่ามีครั้งนึงที่ท่านฟ้าแถมดนตรีการเอ่อวิทยาลัยทํากับพวกครูที่ๆใช่มั้ยคะฟัง แล้วก็ยังอยากจะอยู่ในจะเจอจะจะเจอตอนนั้นด้วยชอบอ่านชาดกเวลาเวลา ทำยังไงถึงจะเป็นอย่างนั้นได้ก็คงต้องพยายามภาคค่ะ กลับมาโอกาสไม่ถึง 10 นาทีเพื่อนธรรมนาครับอาตระเหรนธรรมศิกมาทคล้ายๆกับศิกมาทอยู่ๆไปรู้เออเราได้ดีขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นอือ เชิงรังๆเนี่ยพ่อครูพูดถึงอะไรก็จะนึกไม่ฮะท่านดินไทยแก่ พอผมก็เกิดปีจอเหมือนกันได้ยังไงผมก็เกิดปีจอเหมือนเนี่ย ตรงที่ใครจําได้มั่งบนภูเขาอ่ะที่อาตมาตั้งไว้เรือสูให้จะคนใน อาเทศเมื่อวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะรายการวิถีอารยธรรมบอก ตอนนี้พระครูก็ดําเนินอีกว่าเอ้น่าจะมานะว่าจะเป็นชื่ออะไรต้อง ไอ้เรือเอี่ยมจุนน่ะน่ะเรือเอี่ยมจุนลําใหญ่ที่บน 1 ใน 7 นั่นน่ะโอ้โหมันพังลงมาย่อยย้อยเรา งานฟิลาปะเป็นฟีนอเมนอลอาร์ตฟีนอเมนอลอาร์ตเป็นไลฟ์ฟีนอเมนอลไลฟ์อาร์ตอ่าเป็นตัวจริงเลยให้เห็นความเสื่อมนั่นแหละเอาไว้ ตกก็ได้พลอยโจรเรามันเป็นของดีไปเลยให้มันเป็นอย่าง สภาพของ 1, 1. อนิจจตา 2 ชรตา 3 อนัตตา 4 ตถตา 4 คำนี้อาตมาก็เลยโหวตกันที่ ก็มาโวลด้วยซิ 4 คำนี่จะเอาชื่อมันอะไรดีภาษาอะไรดีอันนี้จะตามมันก็ชรตาโอ้มันก็เสื่อมไปเห็นๆนี่เนาะอ่าอนัตตาโอ้มันไม่ อัตตาสุมันก็บอกความจริงตถะนี่คือความจริงมันก็เป็นอย่างงี้แหละอะไรมันก็ม้วนเบียนมันก็มันเป็นอย่างงี้เสริมมันก็จะเป็นองค์ประกอบในนั้นมีเรือ ก็ทําให้มันเป็นอาคารนะเป็นเรือนเรือที่จะ อนิจจตาชรตาอนัตตาและตถตาอ้าวเลือกเอา 1 คำใครเห็นว่าคำไหนควรที่เหมาะที่จะแสดงใครมาสัก อนัตตาโอ้มันไม่ใช่ตัวเราของโอ้มันเป็นชินนี้เองเนาะ ใครสัมผัสแล้วก็จะเกิดมัหาวิปัสสนาญาณ 9 ไปเลยเนี่ยโอ้โหสวยเลยอ่าพอสัมผัสแล้วก็โอ้โหเกิดวิปัสสนาญาณ <c oughs> 9 ขึ้นมาเลยอ่าครับขอกราบครับอ่ะใครเห็นว่าอะไรเลือก ไผเสียคะแนนบัตรเสียนะจะออกเสียงซ้ํากว่า 1 ในดวงใจอ้าวไล่ไปนับหน่อยนับหน่อยนะนับอ้าวใคร อ้าวใครเห็นชรตายกอ่าสมณะชรตาอ้าวใครเห็น จดเรน่าเท่าไหร่แล้วว่าใครจดจดไว้หน่อยคะแนนใครเห็นว่าอนัตตาไอ้ตถาตาโอ้โหคนนี้นี่เล่นท้องเนี่ยฮะมี ใครมาๆนะไม่เล่นของเบื้องต้นเลยพวกเนี้ยเล่นของสิ ไม่เห็นหน้าไปไหนสลภาพันเนี่ยไปแล้วเหรอไม่อยู่จนได้โอ๊ยห่วงลูกงานแก่แล้ว อ่ะเอาล่ะสําหรับวันนี้เลย Phenomenal Life Art Phenomenal Life Art อ่า